บทที่หการดับของวิญญาณประศุ ท, ที่มักทําให้เข้าใจว่าตายแล้ววิญญาณดับศูนย์แง่คิดที่จะทําให้เข้าใจว่าตายแล้ววิญญาณดับศูนวิญญาณในความหมายของภิกษุสาติชาวพุทโธมากมักเข้าใจเรื่องวิญญาณเหมือนกับภิกษุสาติเป็นมิจฉาทิฏฐิ วิญญาณในความหมายของภิกษุสาติก็คือวิญญาณในความหมายของพราหมณ์เจะตะพูดมีจริงหรือไม่เจะตะพูดก็คืออัตตาหรือวิญญาณในความหมายของพราหมณ์นั่นเองทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ก็ถือมัอนกันว่าตายแล้ววิญญาณไปเกิดใหม่แต่พราหมณ์ถือว่าวิญญาณที่ไปเกิดใหม่นั้น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 วิญญาณเป็นอนันตระปัจจัยให้เกิดวิญญาณในขณะต่อมาความหมายของคำว่าอนันตระคลสํสำคัญในการเข้าใจเรื่องจุติปฏิสนธิวิญญาณจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้หรือจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นนักศึกษาบางคนเข้าใจว่าตายแล้ววิญญาณดับสูนแต่กรรมเหลืออยู่ กรรมเปรียบเหมือนคลื่นวิทยุกรรมนี้จะลั่นไปสู่ชีวิตใหม่และสร้างวิญญาณใหม่ขึ้นอีกในชีวิตนั้นเมื่อตินี้ถูกหรือไม่